นะพอพอเราเจอทางว่าเอ๊ะมันมันเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมองให้มันเป็นเป็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาว่าเราเราจะไปต่ อ, อยังไงเราจะแก้ปัญหายัางไงนะพ<อ>เพื่อให้มันลงตัวยกตัวอย่างนะฮะเราที่วัดวัดดอยเนี่ยเรามีกริดทายกิดไทยนี่เป็นตัวอย่างพวกโซล่าร์รูปถ่บที่ทําขายโครงการรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะไม่มีไม่มีอะไรมากเขาก็จะมีแผ่น แผ่นอยู่บนหลังคาแล้วก็มีกิตไทยพอมีแดดปุ๊บแผ่นก็ผลิตไฟฟ้าผลิตออกมาปุ๊บก็ไหลามาที่กิตไทยจิตไทยก็เป็นล่ามเป็นล่ามนะแปลภาษาไฟดีซีไฟกระแสะตรงดีซจากแผ่นเนะนี่ยสองร้อยห้าสิบโวลต์แปลงให้เป็นกระแสเอซให้มันคุยกันรู้เรื่องกับไฟการไฟฟ้าเพราะเป็นกระแสะสลับคุยกันรู้เรื่องเสร็จ ไอ้ตัวนี้เขาก็ยกแรงดันให้มันสูงกว่ามันก็ไหลออกไปได้อันนี้เป็นปกติเป็นธรรมดาของกลิ่ทายที่ทุกบ้านที่ทำโซลารูรปอกจะได้ใช้แบบนี้แต่ปัญหาของที่วัดดอยไม่เหมือนบ้านอื่นปัญหาวัดดอยคือว่ากลิ่ทายเนี่ยทำงานไม่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าไฟที่ลากขึ้นจากตีนดอยขึ้นไปบนวัดเนี่ยยาวเป็นกิโลสามเฟศนะฮะแล้วก็ ก่อนมาถึงเนี่ยก็จะมีการใช้ในหมู่บ้านอีกแล้วก็บนวัดก็จะมีใช้ที่ก่อสร้างอีกมีตู้เชื่อมตู้ลวดไฟฟ้านะตู้พลังสองตู้เพราะนั้นเวลาตู้เชื่อมใช้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันก็วูบวูบเป็นบางเฟศไฟก็วูบลงวนก็ตกนะวนก็ตกเฟศที่หนึ่งตกบางครั้งก็เฟศที่สองตกเฟสามตกพอเฟศตกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกิจทายก็ เซนเซอร์ของจิตไทยก็พบว่ามันตกแล้ววนมันตกแล้ววนอันบาลานเสถียรเขาเรียกอันบาลานไม่เสมอกันนะมันก็จะเป็นระบบอัตโนมัติที่จะปกป้องตัวเองว่าไม่จ่ายออกดีกว่ามันก็หยุดหยุดเลยหยุดก็ขึ้นฟอลพอขึ้นฟอลเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่จ่ายออกมันไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวนะกว่ามันจะเริ่มรีสตาร์ทใหม่เหมือนรถนะดับเครื่องปุ๊บก่าจะสตาร์ทใหม่อีก โอ้ยีกนานสิบกวนาทีแต่ว่าไม่ใช่นานสิบนาทีมันกลายว่ า, าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไฟไม่สมดุลเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเลยเท่ากับว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเราจะเสียไฟให้มันหายไปสุนยตาเลยเป็นชั่วโมงทิ้งไปสองพันวัตเฉยเลยอย่า ก, กันนั้นเลยทําไงดีเพราะเหตุมันเกิดแบบนี้เหตุเกิดเพราะว่าเกิดความไม่สมดุลจากนอกละ เราจะแก้ยังไงเราก็จับตัวใหม่ก็คือหาตัวไปไปอ่านไฟอ่านไฟอ่านไฟข้างนอกเลยว่ามันเท่าไร่มันบาลานซ์เท่าไหรมันบาลานซ์เท่าไหร่รเาราก็ต้องไปเดาใจไอคนทํากิจทายว่ามันตั้งไว้เท่าไหร่ที่มันยอมตัดก็ไปนั่งเดาเก้าเซ็นสิบเปอร์เซ็นไปเดาถูกสิบเปอร์เซ็นตะอันบาลานซ์สิบปอร์ซ็นตปรากฏว่าพอ เราใส่ตัวดีเทกเตอร์คือตัวตรวจจับเนี่ยเหมือนสติอีกตัวหนึ่งเลยนะเป็นตัวตรวจจับสิ่งที่เข้ามากระทบเข้ามากระทบเอไอตัวตัวกิจทายเนี่ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันเปลี่ยนไปเกินกว่าที่มันจะรับได้มันกระทบมาปุ๊บกิจทายมันก็ตัดเราก็เอาไอ้ตัวนี้ไปอ่านค่ามันไปเป็นตัวดีเทกเตอร์หรือตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ไปสั่งตัวรีเลย์ให้มันไปบอกไอย่างงี้ถ้าเกิดมันโวลต์มันต่ำอันบาลานปุ๊บ แล้วทําไงครับเราก็สั่งลีเล่ให้ออยา ก, กันนั้นเลยอย่าไปจ่ายออกเลยจ่ายออกก็เสียเวลาเปล่าเสียของด้วยเสียไฟวฟีทําไงตัดเข้าแบตเตอรี่ไปชาร์จแบตเพราะเรามีระบบชาร์จแบตเตอรี่อีก mm hmm. เพราะฉะนั้นภายในภายในสองวินาทีเนี่ยที่ระบบกีดทายตัดตัวนี้ก็จะชาร์จแบตแล้วตัวนี้ก็จะคอยมอนิเตอร์จะคอยมองอยู่ตลอดว่าไฟมันพอดียังถ้าพอดีแล้วมันก็ปล่อยการชาร์จ กิทาก็เฝ้ามกันต่างจนจ้องทั้คู่นะจ้องกันทั้งคู่เลยเพราจ้องว่าไฟพอดีปุ๊บไอ้ตอนนี้ก็ปล่อยตอนนี้ก็ปล่อยอาันนี้รับต่อรับไมค์ก็พอดีนี่คือเวียนกันไปเป็นเหตุว่าถ้าเกิดตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องทําตรงนี้ต่อเกิดตรงนี้วนต่อนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทเล็กๆเหมือนกันนะในระบบโซล่าที่ทําที่วัดมันมีหลายวงจรที่ ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้วงจรตัดต่อไฟดีซวงจรอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราเรามองเห็นเหตุว่าเหตุนี้เกิดแล้วทําให้เกิดสิ่งนี้เราทําให้เกิดสิ่งนี้แล้วก็เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปแก้ที่เหตุแล้วเอาสติและเอาตัวตรวจจับเนี่ยเอาไปตรวจจับเพื่อให้มันหลุดพ้นจากวงจรนั้นได้เลยนะเหมือนกันเราที่ว่าเรามีอวิชชาฐานะประธานเนี่ยถ้าเราออกจากวงจรได้เราก็หลุดจากปฏิจจสมุปบาทได้ในแนวเดียวกันนะครับสาธุครับ Auto, คือทําเป็นออโต้นี่เหมือนมีสติตื่นรู้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะตื่นรู้นี่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าอเวอออนเลยนะอเวอออนคือตลอดเวลายีิบสี่ชั่วโมงเลยว่าตรวจจับตลอดว่าเกิดไอะไรขึ้นมาบ้างเราต้องตื่นตลอดนะสติตัวนี้จะต้องตื่นตลอดเพราะเราเราเราใช้ไฟดีซจากแบตเตอรี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นไม่ว่าไฟอนอกจะดับหรืออะไรก็ตามตัวนี้ไม่สนเรามีไฟเลี้ยงของเราเอง นะเราก็จะตื่นตลอดเกิอดอะไรปุ๊บเราตัดป๊อปเลยเพราะฉนั้นเราเราก็จะใช้เวลาที่ตัดน้อยนะเราก็จะ เ, เป็นสติที่ตื่นตลอดเวลาไวนะ้ะนั้นสติที่ตื่นตลอดเวลาของตัวเซ็นเซอร์นี่ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นคือไม่เสียของนะได้พลังเต็มเต็ ม, ตมได้พลังเต็มเต็มลงแบตเตอรี่หรือพลังถ้าไม่ลงแบตเตอรี่ก็จ่ายออกไปชดเชยไปหากกับมิเตอร์ลอ้อหมุนอย่างเต็มเต็มอยูเหมือนกันในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่มีแดดดีด้วยอันนี้คือวงจร กิจทายที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจิตทายที่เปลี่ยนเสมือนตัวจิตครับตัวจิตเนี่ยครัอยู่ในจิตเลยครับที่มันจะรับรับซึ่งรับข้างนอกมารับตัญย์ความไม่เสมอรับอายตนะอยากไปบางนอกมาอธิบายัไม่ถึงอายตนะเลยนะอันนี้ฟังรู้เรื่องไหม นึกว่าจะเป็นภาษาชาว บ, บ้านเป็นภาษาไปฟ้าหมดเลยนะเอามาปีนี้ทำไอซูลาเซลนะประากฏว่าจะ น, นันขึ้นไปอุทิศแรงกายทำให้ฟรีในส่วนอุปรกรณ์ทั้งหมดคร อ, อบครัวคุณเสริมชัยคุณมารีเป็นคนจัดการาแล้วก็ปรากฏว่าด้วยการแรงงานที่ฟรีทำด้วยใจที่เป็นธรรมเนี่ย ทำด้วยความรู้สึกตัวพราะกลัวหลังจากเสร็จงานนี้ได้บวชเลยนะเมื่อก่อนนี่คนละคนน่าจําไม่ได้ฉันนั้นไม่ใช่คนคนนี้นะนับจากน้ําหนักเก้าสิบกิโลเหลือน้ําหนักปัจจุบันนี้เท่าไหร่ห้าหกสิบ่หกสิบสี่หกสิบ้าโดยที่น้ําหนักลดจากสามสิบกิโลนี้ไม่ป่วยเลยนะไม่ป่วยเลยเพราะว่พาพอบวชแล้วฉันมือเดียวอฉัน อ, อาหารแบบว่ามั่งสวิรัติไปในตัวนะ ก็ทำให้ได้อ น, นี้ส่งจุดนั้นได้มาบทมาบทแล้วก็เลยมาปฏิบัติเข้าใจได้เร็วขึ้นเพราะมีพื้นฐานทางด้านเรื่องไฟฟ้าท่านจบวิศวะจุฬาที่ไหนวิศวะจุฬามาก่อนนแล้วมาทำ่องดึงแ ร, ง, รางงานทดแทนจากน้มันจากน้มันจากพืชจากอะไรมาแล้วก็มาถึงแสงอาทิตย์นี่แหละปัจจุบันท่านก็เลยไปเปิดสอนสุรเซียวต่างๆาพระวัดต่างๆ พวัดไหนไม่มีอุปกรณ์เฉพาะวัดปฏิบัตินะช้อวัดภาวนาท่านจะไปติดตั้งให้เป็นร้อยวัดเลยที่ทํามาก็เลยว่าเอออันิสงฆ์ท่านเลยได้บวชบวชแล้วก็มาปฏิบัติกับพวกเราก็ก็ดูแลสุรเสียวที่วัดต่อแต่วัดทําให้วัดแพ่แสงเทียนวัดทําแสงเทียนวัดในเครือข่ายของแพแสงเทียนท่านทําให้หมดเลยนั่นั้นเราจะเห็นว่าในการทํางานถ้ามีการเจริญสติไปด้วยเนี่ย มันมีบุญมากมีอา น, นิสงส์มากนะไดนะ้ได้มาปฏิบัติเต็มตัวเลยที่นี้นะแล้วก็นําระบบทั้งหมดที่เป็นความรู้ในฝ่ายที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งหมดมาเป็นนามธรรมได้ด้วยแล้วก็สามารถอธิบายปฏิสุบัติจากการงานของสุรเสียวนี้ออกมาอย่างที่เราได้ฟังนะเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของแสงแดดที่มากระทบแหงเนี่ยเราจะถือเป็นเวทนาได้ไหม น, น่าจะเป็นเวทนานนเนาะพอเพราะเวทนาเนี่ยคือความไม่สบายเนี่ยเปรียบเสมือนแสงแดดเผาเราอยู่ตลอดเวลาและพอเรา<ด>ตั้งอันนี้ก็เหมือนตานครับ<ะ>แผงแผงโซลา่าเซลล์ก็มือนตาดวงตาเราเลยดวงตาเราเนี่ ย, ยอ๋อหมายความว่าเป็นอยนายัดนะเหมือนเลยนะอายัดนารับเข้ามาส่งสายไปไอ้อธิบายไม่ถึงเนี่ยไม่แก่ยังยังยังคือถ้าถ้าจะมองถึงภาพภาพของไอ้นามกับรูปนี่นะะ คือเอาแค่มีจกักษุสัมผัสตัวเดียวนะก็คือแผ่นโซล่าเนี่ยเหมือนดวงตาดวงตาดวงตาดวงตาเราเนี่ยเอาไปแขวนไว้บนหลังคาวัดนะพอมีพอมีแสงตกกระทบจากแดดเนี่ยนะก็จะมีคลกจักสุวิญญาณใช่ไหมที่พิญญาณส่ไปจักสุวิญญาณนี่ก็จะไหลไปตามสายนะก็จะไหลไปที่ไหนครับไหลไปถ้าคิ ด, ดง่ายๆคือไหลไปกระทบกับ ก็จะเอาส่วนกลางส่วนกลางที่จะที่จะทํางานต่อคืออะไรครับไหลไปที่ทิ่จิตที่ใจเนี่ยที่ใจครับไหลไปที่ใจแต่ครนี้มันจะไหลมันมันก่อนจะไปเนี่ยก่อนจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหตุมีอะไรหลายๆอย่างว่ามันจะไปยังไงแล้วมันไปแล้วมันไปทําอะไรต่ออีกซึ่งซึ่งอันนี้มันชุนลมุนอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าถ้าถ้ามันมาน้อยมันจะทํำยังไงถ้ามามาก มันจะทำยังไงคือมีเงื่อนไขต่างๆอยู่มากเหมือนกับใจเราอะถ้าเราเจอเจอเจอภาพอย่างนี้เจอรูปอย่างนี้เราก็จะมีปติปัญญาอย่างนี้อันนี้เหมือนกันนะถ้าถ้าแสงขนาดนี้เราก็ต้องตั้งตั้งโปรแกรมไว้ในใจเลยว่าโปรแกรมไว้ที่ตัวเครื่องเลยว่าถ้าแสงมาขนาดนี้แอมขนาดนี้ให้ตัวนี้ทำงานได้ถ้าแสงมาน้อยเอาแค่ใจตรงนี้ก็พอเหมือนเลยไหม ถ้าไปเจอคนที่สวยมันก็อหังการอย่างหนึ่งสมมุตินะถ้าไม่เจอคนไม่สวยก็อหังการอย่างหนึ่งเหมือนกันกระจายคนเราเลยครับมันก็ต้องตั้งไว้อย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือมองดูก็เออมันก็เป็นนามเป็นรูปสมมุติออกมาได้เหมือนกันนั้นในแต่ละอันนี้มองมองให้เป็นเป็นเป็นได้หมดเลยแล้วอธิบายความได้ทีนี่เราบอกว่ากิจทายนี่เป็นจิตใช่ไหมกิกิจทายนี่มันมันมันมันจะเป็นตัว คือรับสัญญาณมานะครับรับสัญญาณมาจากจากจากจากแผงก็คือรับจากตามาก็เข้ามาตรงนี้แล้วมันก็ส่งต่อคือส่งต่อในเวลามันส่งออกไปเนี่ยเท่าว่าจิตสั่งให้ใ ห, ให้ให้มือให้แขนให้ให้ให้ให้สัมผัสเราไปทำงานต่ออีกทีหนึ่งนะหรือให้ให้เรามีความอารมณ์ให้มีอะไรออกไปเนี่ยตัวกิจทายเนี่ยมันจะสั่งต่อเพราะฉะนั้นสั่งต่อเนี่ย มันก็เหมือนใจที่มันจะคิดว่าเอ๊ะมันยังไงดีมันจะจ่ายออกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะสั่งต่อไปมันก็ต่อไปไหนอ่ะต่อไปให้ไฟออกมากออกน้อยมันก็ออกไปที่อารมณ์ละถ้าถ้าถ้าแดดมากแดดมากแล้วอารมณ์ไม่เสียมีอารมณ์ไม่เสียด้วยนะก็คือแดดมากแล้วก็ไฟไฟที่ข้างนอกไม่เสียมันก็ออกอีกแบบหนึ่งถ้าไฟข้างนอกเสียก็เหมือนอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ออกคือมันก็จะมีความแปรผัน ขึ้ น, นล ง, ล ง, ลงตามสมภาวะข้างนอกอีกตามเหตุปัจเจก น, นอกอีกซับซ้อนนะซับซอ้อนแต่ดูเองง่ายกันแล้วกันนะครับครับนทีนี้ตัวแปลงค่าของสัญญาณสุรเสียงครับไปฝาในต้องผ่านกิจทายเดีวยวผ่านผ่านกิจทายอย่างเดียวครับเป็นตัวเป็นตัวหลักเลยก็คือต้องวิ่งมาที่ใจก่อนเลยแต่ใจเนี้ยใจนี่มันก็อยู่กับไปใจภายนอกอีกอยู่กับอารมณ์อารมณ์ไฟอีกนะะ อารมณ์ไฟก็เป็นอารมณ์ที่ออกไปข้างนอกเนี่ยไฟบ้านปากปานที่มันเชื่อมเชื่อมเข้ามาเนี่ยก็เป็นอารมณ์ถ้าไฟก็เพิ่มใจใจก็กระเพื่มตามนะหลงเลยนะะหลงเลยหลงตะเลิรเลยไม่ออกเลยครับเออเลิร์ไปเลยแต่ถ้าไฟมานออ น, นิ่งๆคืออารมณ์นิ่งๆก็ใจก็ออกอีกแบบหนึ่งเห็นใจมันเลยมันออกอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าถ้าอารมณ์ไม่นิ่งกระเพื่มก็ออกอีกแบบหนึ่ง นะแล้วก <without them S 1> ็จากสุวิญญาณมามันกันถ้าตกเย็นหึือฟ้าคึ้มรับมาก็เข้ามาถึงใจแล้วก็ออกไปน้อยอีกนะก็แสดงตัวแสดงออกไปน้อยตามสภาวะที่เข้ามามาเท่าไหร่ก็เข้าไปเท่านั้นยกเว้นว่ามีอารมณ์เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตามอีกครับปีนี้ต้องให้เรียนนักธรรมอะไรอ่เงียไปสอบไปสอบวิชาการทางธรรมะเพิ่มขึ้นก็ อันนี้ถ้าหากว่าเราได้สับทั้งสองส่วนสับธรรมะด้วยสับวิชาการทางด้านไฟฟ้าด้วยมันก็จะเป็นปฏิสุบะที่เห็นชัดแจ้งมากเลยว่ามันลักษณะเดียวกันว่าในตัวของคนเราเนี่ยอายตะนะทั้งหกก็เหมือนแผงสุรับสุ ร, รเซียวทั้งหกแผงตาหูจมูกริมกายใจแผงที่ใหญ่ที่สุดคือกายนะกายของเราเนี่ยรับมากกว่าอื่นคือความไม่สบายกายเนี่ย เป็นตัวแผงรับรูดอเซลท่งนั้นเองในการภาคปฏิบัติว่าอาวิชาก็ให้เกิดสังขารได้อย่างไรมาเริ่มต้นต่านั้นทนีนี้ตัวความไม่รู้อันนี้สมุทัยนะในส่วนที่เป็นสมุทัยให้เกิดทุกตัวอวิชาวันไหนที่มันไม่มีแดดใช่ไหมอาจารย์ครับ อ, อวิชาเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอากาศเกิดอาการมืดแสงสว่างไม่พออวิชา ตัวโซลาเซลล์ที่แปลงออกมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดแสงสว่างคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยเป็นแสงที่สัดงสองเข้ามาชาร์จถ้าหากว่าเรามีวิชาตัวแสงสว่างนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าหากว่าแผงนั้นเป็นอวิชาถ้าแผงนั้นไม่ไมดีไม่สามารถแปลงสัญญาณได้นะก็คือแสงสว่างไม่พอและเป็น อวิชานะที่แสงที่เข้ามาก็จะเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นราคะโทสะมุหาไปซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะดูให้ดีแล้วอายตนะทั้งหกนั้นเป็นตัวรับแสงตลอดเวลาคือรับรู้นะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทางตาเรื่กว่าจักขูวิญญารู้ทางหูเรื่องว่าโสตวิญญาณรู้ทางจมูกเรื่อว่าคารณะวิญญาณรู้ทาง ลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณดูทางกายและกายวิญญาณดูทางจิตเรียกว่ามนุวิญญาณตัววิญญาณที่รับเข้ามาในทั้งหกทางก็ไปชาร์จเข้าที่จิตจิตของเราก็รับมาแปลงเป็นสัญญาณดีบ้างไม่ดีบ้างตามเหตุปัจจัยที่มันกระทบนะดังนั้นในเรื่องของปฏิสุบะททั้งหมดเที่เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอืม อันนี้ถ้าเป็นรูปธรรมมันครอบคลุมไปทุกเรื่องเลยนะเพราะเรานั่งมันถึงเกิดรู้สึกตรงนี้เพราะเรายืนความรู้สึกมันจะมาหนักตรงนี้เพราะเร า, า, รรารเดิเเนความรู้สึกหนักมันจงปรากฏตรงนี้เวลาเราเวลาเรายืนความรู้สึกทำไมไม่ปรากฏที่แต่พวกทําไมปรากฏที่เท้าเนี่ยมันก็สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยแล้ววัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นหลักของปฏิสวมัท์ทั้งหมดเป็นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เราเป็นมนุษย์มานั่งตรงนี้เพราะมีอะไรสื้อไปบรรพุรุษเป็นร้อยคนพันคนเพราะมีเราเพราะมีเขาเหล่านั้นจึงมีเราในวันนี้เพราะมีเราลูกเจ้าเหล่าหลานจึงขยายต่อไปเรื่อยๆอใ น, นลักษณะที่เป็นรูปธรรมนะซึ่งความละเอียดอ่อนความลึกซึ้งตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกโอ้ยากแต่คนรจะเข้าใจแต่ว่าโดยรายละเอียดไม่ต้องไปรู้ เหมือนเราใช้ไฟหลังจากที่ช่างติดแล้วเราก็ไปเปิดไปปิดใช้เท่านั้นเองแต่รายละเอียดของไฟว่ามันต่อกันมายังไงไปยังไงระบบต่างตๆไม่ต้องรู้ก็ได้ชีวิตเราก็เหมือนกันเราไม่ต้องรู้ไปรู้ว่าเราเกิดมาจากาพระบุบรุญพ่อหลวงคนไหนมีอินเอดีเอเป็นยังไงสร้า ง, รงกรรมอะไรมาไม่ต้องไปรู้แต่รู้ว่าเรามารู้ชีวิตของเราว่าเราจะเปิดยังไงเราจะดับอย่างไรมาหาชีวิตให้เจ อ, อติดตั้งชีวิตให้ แต่การที่เราชีวิตที่เรามีทุกภาวะหาสวิตไม่เจออย่างไฟเนี่ยว เ, เ, เ, เ, เวลาต้องการใช้เราเปิดใช่ไหมไม่ต้องการใช้เราดับน้ําเวลาต้องการใช้เราเปิดไม่ต้องการใช้เราดับอันนี้หมายความว่ามันมีสวิตมีวาลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันยังไม่มีสวิตเลยเราต้องการคิดในสิ่งที่ดีมันคิดไม่ออกสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องคิดมันกลับไหลออกมานะ เราอยากคิดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลมันกลับไม่ไม่เกิดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราไม่ต้องการคิดมันกลับไหลออกมาลักษณะที่เราไม่เจอปุ่มตรงนี้เรียกว่ายังไม่เกิดสติสมาธิปัญญาเป็นตัวควบคุมกระแสของกําลังที่ชาตเข้ามาตลอดเวลาชาตทังต า, ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปเก็บอาจารย์ไม่ได้พูดถึงจิตใด้สําสนึกมันมีส่วนเก็บไหมเหมือนเบอร์ติลี่ไหมจิตใด้สําสนึกเนี่ย มันชาร์จเข้ามาแล้วคือมันรับรู้เข้ามาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เอาไปใช่ไหมเพรเก็บเขา้าจิตได้ส น, นุนนั่นนั่นน่าจะเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมใช่ถ้ามันถึงเวลามันก็ดึงมาได้อ่ดึงเข้ามาเก็บไว้แบตเตอรี่ทั้งหมดแบตเตอรี่เก็บไว้เยอะเท่าไหร่ก็ได้ขอนมันนั้นเองจิตเพราะมันอ่า ย, ย, ยัตนะทั้งหกเนี่ยรับเข้ามาแล้วมันจะต้องเก็บมีที่เก็บมันไม่ได้ใช้ทันทีนะบางครั้งเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บครับ แต่ในตัวของเรามันมีที่เก็บที่เก็บตรงนี้เขาเรียกว่า subconscious หรือจิตใต้สํานึกเก็บไว้ตลอดเวลาถ้าเปลียนเสมือนเครื่องบินเขาเรียกกล่องดำํำ black box ตัวนั้นอะ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาถ้าเกิดอุบิเหตุเคืองบินอุบัติเหตุสิ่งแรกที่เขาต้องหาคืออะไรหากล่องดํากล่องดํามันมีเป็นอะไรก็คือตัวเก็บสัญ ญ, ญาณทั้งหมดการทํางานของเครื่องทั้งหมดเลยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเหตุ ผิดปกติในเครื่องเวลาไหนอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเน่เขาก็จะไปอ่านตรงนั้นชั้นใดก็ดีกล่องดำชีวิตของเราคือสับคอนเชิดเราใช้คาว่ า, าภาษาบาลีเราใช้คาว่าผวังขจิตจิตได้สำนึกเราก็เข้าไปดูตรงนี้เมื่อจิตได้สำนึกตรงนี้เก็บไวเ้เยอะๆเข้าเราจึง บางครั้งเราไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันมาอย่างมันคิดไม่เคยคิดเลยนะมันมาได้ยังไงเวราฝันก็ดีเวลาจใจลอยก็ดีมันไหลออกมาเรื่อยๆคิดนั้นคิดนี้แต่เมื่อใดเรามีมีสติสัมผัสปั๊บเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้ไม่ให้จิตได้สานึกเนี่ยไม่ให้จิตมันคิดมันไหลออกมาแต่ถ้ามันจะไหลออกมาต้องเปลี่ยนมาเป็นค่าเปลี่ยนค่าสัรชาติยานที่มันไหลออกมาจิตได้สานึกออกมาเป็นแสงสว่างทางปัญญาอ่า เพราะนั้นจิตใต้สํานึกตัวนั้นมันเป็นขุมแห่งปัญญาก็ได้เป็นขุมแห่งอวิชาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวเปิดปิดที่ชัดเจนไหมดังนั้นที่เรามาสร้างขณะ น, นี้เรามาสร้างตัวสติสมาธิปัญญาเป็นเสมือนตัวควบคุมทั้งหมดในในขุมพลังของเราคือจิตใต้สํานึกเขาว่ามีพลังมหาศาลมากอ่าเช่นเวลาเกิดเราตกใจหรือเขาเรียกว่าอะไรนะลาไฟไม่บาน ใช่ไหมโต๊ะใจวิ่งแบกตู้เย็นแบกตู้เซฟออกมาจากบ้านเฉยเลยนะตราจะเอาเข้าบ้านนี่กลับแบกเข้าไปไม่ได้เพรนั้นจิตพลังจิตแท้สำนึกพุ่งออกว่บ่าอย่างแรงมันเป็นพลังมหาศาลเลยนะแล้วบางบางทีเราบรรดาลโทรศัพนทะ์สามารถจะฆ่าคนตายได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นพลังเรานี้มันมีดังนั้นในแง่ของพุทธศาสนาเกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรเกี่ยวข้องไว้ใช้ก็ว่าจิตแท้สํานึกคือพวังคจิตเนี่ยมันมี นะกําลังต่างๆในนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นเราจะทําไงถึงจะใช้กําลังอันนี้ได้อย่างบอกว่าตลอดชีวิตเราใช้มันแค่หเปอร์ซนะท่านบอกว่านะแต่สิ่งที่เราเก็บมันในร้อยนึ่งเราเรามีความสามารถใช้มันห้าเปอร์เซตแต่เมื่อใดเราถึงภาวะการรู้แจ้งตต่สรู้เนี่ยเราสามารถดึงภาวะจิตใต้สํานึกออกมาเป็นแสงสว่างทางปาัญญาได้ตลอดเวลา อย่างผู้ดาท่านแต่สรู้แล้วยังไม่ท่านโอ้โหท่านคําสอนมาแต่ในในมหาสารหมดเลยท่านสอนกันแบบว่าเท่าไหร่ก็ได้ออกมาคุ้มมุมมาเป็นหลายพันปีก็ได้อันนี้บุคคลคนหนึ่งค้นพบแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายต่างก็ไปเปลี่ยนจิตใต้สํานึกถ้าเป็นจิตรู้สํานึกได้โดยอาศัยหลักของการมีสติสมาธิปัญญาเข้าไปควบคุมนั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกฝึกอย่างเนี้ยฝึกที่เราทํากันเนี่ย แต่ฝึกมีสองระบบหนึ่งฝึกระบบสมถะสองระบบวิปัสนาฝึกระบบสมถะนั้นหมายถึงว่าเราใช้เฉพาะจิตรู้สำนึกกดจิตแด่สำนึกไว้ไม่ให้ออกมาทำงานเพราะนั้นตัวคนที่เจริญสมถะจึงไปสู่อริยภูมิไม่ได้ไปสู่แท่พรมภูมิเพราะอะไรเพราะกำลังไม่พอ แต่วิปัสสนานั้นสามารถเข้าไปดึงจิตได้สํานึกออกมาใช้เป็นพลังมหาศาลจึงข้ามพ้นจากโลกิยะภูมิไปสู่โลกุตระภูมิได้ตรงผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้ท่านใช้คําว่าโคตระภูยานข้ามโคดของโลกิยะไปสู่โคดของโลคุตระโดยอาศัยกําลังเปลี่ยนจิตได้สํา น, นึกให้เป็นจิตรู้สํานึกจิตไร้สํานึกให้เป็นจิตรู้สํานึกซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะซึ่งบางทีหมออาจจะพูดเรื่องนี้ได้ดีกว่าไหม พอเออหมอหน่ยพบหมอเป็นศิรแพทย์ครบเลยครับก็นมัสการหลวงพ่อแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับก็หลวงพ่อพูดถึงเรื่องจิตสำนึกก็คิดตามอยู่นะครับจริงจิจิตใต้สำนึกจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยการรักษาทางจิตเวชเลยนะครับ การรักษาทางจิตเวทเนี่ยเราเชื่อว่าความทุกข์ของเราเนี่ยเกิดจากสิ่งที่อยู่ในอันคอนเชียสหรือซับคอนเชียสอันนี้หมายถึงจิตใต้สํานึกอธิบายให้ฟังก่อนครับคนเราเนี่ยมันจะมีจิตอยู่สองแบบถ้าเอาแบบง่ายๆ c คอนเชียสคือจิตรู้สํานึกเหมือนเราอยู่ตอนนี้เราคิดอะไรเรารู้ใช่ไหมครับเรากําลังทําอะไรอยู่เรารู้อันนี้เราเรียกว่าจิตสํานึกคือเรารู้ณนะปัจจุบันเลยแต่มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เฮ้มันถูกเก็บไว้ข้างในแล้วอยู่ดีๆมันก็ ผุดขึ้นมามีไหมครับตอนเจริญสตินั่นแหละอันนั้นอะเราเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกไอ้จิตใต้สำนึกหรือว่าความจำบางอย่างอย่างเช่นถ้าถามว่าเมื่อเช้ากินอะไรเนี่ยเราต้องนึกนิดนึงใช่ไหมครับอันนี้มันอยู่ใต้สำนึกคือมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้อิทธิพลของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันส่งผลกับปัจจุบันอย่างมากนะครับเขามีความเชื่อว่าความผิดปกติต่างๆทางจิตใจเนี่ยล้วนมาจาก สิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในอดีตแล้วมันถูกเก็บๆเอาไว้ในใจเรานี่แหละตอนเด็กๆเราอาจจะถูกพ่อแม่ดุว่ า, าต้องเป็นเด็กดีนะเราก็จำอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจริงๆเราลืมเหตุการณ์ไปแล้วแหละ ว, ว่าพ่อแม่เคยดุเราว่าอะไรพอโตมาเราก็พยายามทำตัวให้เป็นคนดีพอมันไม่ดีเหมือนที่เราคาดหวังหรือพ่อแม่สอนนี่เราก็เริ่มเป็นทุกขนะ์แล้วยิ่งเป็นไม่ได้บางทีก็ซึมเศร้าก็ได้ นะครับหรือบางทีก็มีอาการทางจิตอื่นๆอะไรก็ได้เพราะนั่นคารจิตตเวชหรือการทำจิต บ, บําบัดแบบหมอที่เขาทําำนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะดึงสิ่งที่มันอยู่ในอันคอนเชียสหรือว่าสิ่งที่อยู่ในสับคอนเชียสนี่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเมื่อเกิดการตระหนักรู้แล้วเนี่ยก็ทําให้คนยอมรับถึงสิ่งที่มันอยู่ในสับคอนเชียสในก่อนพอยอมรับแล้วก็ค่อยนําไปให้เขา เ, เกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลังอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Conscious กับ Unconscious นะครับทีนี้ในทางพุทธกับในทางจิตเวทเนี่ยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าในทางจิตเวทเนี่ยมันเป็นความรู้ในทางโลกเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไม่พ้นระดับตัวตนมันยังทำไปมันก็เป็นการทำให้ตัวตนเราดีขึ้นเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแต่มันก็ยังมีตัวตนอยู่แต่ในขณะที่การที่เราเจริญสติยกมืออย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนี่มันพ้นตัวตนคือมันไม่เอาอะไรลวมันรู้แล้วมันทิ้ง ดังนั้นดูแล้วมันยังดีมันยังมีตัวเราที่ดีมันก็แก้แล้วมันก็ปรุงใหม่ไปเรื่อยๆมันไม่จบอันนี้เป็นความแตกต่างกัน ร, ระหว่างออวิชาการทางโลกกับวิชาการทางธรรมอย่างถ้าพวกเราจเจริญสติหรือนั่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยผมไม่แน่ใจช่วงแรกๆมันเหมือนจะมีเรื่องต่างๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็น คนใหม่ๆมาทําอย่างตัวเองเนี่ยจําได้โอ้มาทําใหม่ๆนึกเรื่องตอนเด็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเลยไม่รู้มันมาได้ไงเราไม่ได้ตั้งใจนึกด้วยซึ่งจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลแต่พอทําไปสักพักหนึ่งเรื่องพวกนี้มันค่อยๆผุดมามันเหมือนที่หลวงพ่อเทียนพูดไว้ว่าน้ําที่มันถูกวิตต์ออกมาเรื่อยๆไอ้ส่วนที่มันขุ่นมันก็ค่อยๆหายไปมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่มันใสไปเรื่อยๆอันนี้ก็คงเป็นส่วนของจิตใต้สํานึกกับจิตรู้สํานึกซึ่ง เรื่องจิตเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเรื่องกายด้วยนะครับบางคนปวดหัวไม่มีสาเหตุเนี่ยผมเคยรักษาคนไข้คนหนึ่งนะครับคนไข้คนนี้เนี่ยมีประวัติว่าถูกแม่ทารุณกรรมตอนเด็กๆแต่คนไข้เนี่ยจำไม่ได้แล้วคนไข้ามาด้วยอาการคล้ายๆปวดหัวแล้วนอนไม่หลับก็ปรากฏว่าดึงสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกเขาออกมาเนี่ย ตอนนั้นเขาก็รู้สึกแบบมันมันเป็นวิธีการคล้ายๆไม่ใช่สะกดจิตแต่ว่าคล้ายๆสะกดจิตเนี่ยเหมือนกับให้เขานึกย้อนไปตอนเด็กๆปรากฏว่าระหว่างที่นั่งนึกย้อนไปเขาก็รู้สึกปวดเมื่อยเนื้อตัวมากเลยตอนเดินมาดีๆเลยนะคะไม่มีอะไรแต่พอให้นึกย้อนไปในวัยเด็กเนี่ยปรากฏโอ้โหนึกมีภาพตอนที่แม่ตีเขาเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาหนีไปเล่นเกมแล้วก็แม่ในดุมา แม่ไปเจอเขาตรงปลายรถเมล์แล้วพอเดินเข้าบ้านเนี่ยแม่ตอบเขาพุกอะโดยที่เขาเนี่ยไม่ถามสักคำว่าเขาทำอะไรผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขาน่าจะอยู่ประมาณมสองหรือมสาปัจจุบันเขาอายุประมาณเกือบสี่สิบแล้วเขารอกว่าเรื่องนี้มันผุดขึ้นมาแล้วเขาก็ปวดตามตัวเต็มหมดเลยเขาก็บอกว่าหลังจากรักษากันเสร็จเขาเขาเพิ่งรู้ว่าอ๋อไอ้การปวดตามตัวที่เขาเป็นเนี่ย เป็นสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ถูกแม่ตีเขาคิกว่าเขาปวดเมื่อยจากการทํางานหลังจากเทอร์ปีหรือว่าหลังจากรักษาเสร็จเนี่ยก็หายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตก็ส่งผลต่อกายแล้วก็การผมกําลังเชื่อมโยงให้ฟังว่าการรักษาในทางจิตเวทเนี่ยใช้หลักเดียวกันเลยครับคือการดึงสิ่งที่อยู่ในอันคอนเชียสขึ้นมาอยู่บนคอนเชียสซึ่งอันคอนเชียสก็จะเป็นอดีตที่ถูกสังสมเอาไว้แต่ว่าในวิชาการทางโลกเนี่ย ดึงขึ้นมาเสร็จให้เขายอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่มันยังมีตัวตนแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยมันพ้นตัวตนไปแล้วมันไม่มีคอนเทนต์แต่ว่าในทางโลกเนี่ยมันยังมีคอนเทนต์เยอะ<ม>ครับก็ตอ<ม>นีทางกิจเวทเนี่ยได้บอกไม ว, วสับมันเชิรเนี่ยมันมันมาจากไหนไม่ไม่ได้บอกครับบอกว่า เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาแต่เกิดเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีสิ่งที่ถูกติดตัวมาแต่เกิดคือเรื่องสัญชาตญาณสัญชาตญาณนมีสองอย่างเรียกว่ามีถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกเซ u a l d r i v e คือ drive ที่มันเหมือนกับทำให้เกิดการเกิด d i v e ที่เป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดการเกิดแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ i n c t ิ้ t เป็น Se ็กชวลไดฟ์นี่คืออันหนึ่งครับอีอันนี้เป็นแอคเซสซีฟไดฟ์เป็น drive ที่ทําให้ทําให้เกิดการทําลายก็ทําให้เกิดการดับมัครับอันนี้ผมโยงเอาเองนะครับแต่คงไม่ใช่หรอ g แอค s ซสซีฟไดฟ์นี่คือไดฟ์ที่มาหน่วนกับทาให้เกิดการทําลายล้างอะไรทํานองนั้นนะ่ะก็จะออกมาเป็นโทสะในขณะที่ Se ็กชวลไดฟ์มันจะออกมาเป็นราคะออกเป็นโลภะคือลาคะโทสะครับาาาราคะเออลาคะโลภะโ ท, โทสะแอคเซสซีฟไดฟ์คือโทสะ แต่ถ้า Sexual Drive ของมันเป็นราคขะกับออกมาเป็นโลภะถ้า d r i v ์พวกนี้ไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดการเก็บไว้ในอ n c o อนเ i o u s เมื่อมันถูกเก็บไว้ในอ n c คอน c ช o u s มันก็จะส่งผลต่อมาตอนที่โตตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกันเราช่วยให้เขาเห็นว่าอ๋อมันมีพลังงานพวกนี้ที่ถูกเก็บกดอยู่ มไม่ได้พูดถึงการควบคุมจิตใต้สํานึกครับพูดพูดแต่วิธีการดึงดึงสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สํานึกออกมาแต่ว่ายังควบคุมมันไม่ได้แล้วคุณไม่รู้ที่ไปที่มาด้วยไม่รู้ที่ไปที่มาเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิด อ, อ, นน <laughs> อันนี้วิชาการมาก แต่งพระเจ้ารู้มากกว่าเลนะพระพุทธเจ้นอนครับแต่ตามที่ความเข้าใจของผมมัขาจมาแล้วว่าจิตใต้สำนึกก็คือการที่อายตนะทั้งหกเรารับสัมผัสตลอดเวลาเมื่อรับสัมผัสตลอดเวลาแล้วมันก็ต้องมีที่ไปที่เก็บเพราะว่าในวิญ ญ, ญาณทั้งหกคือตาหูจมูก ล, ลิ้นกายใจเนี่ยต้องสื่อเข้าไปเราต้องมีที่เก็บนั่นก็คือลงเข้าไปสื่อจิตใต้สานึกนั่นเองนะทีนี้ มันเกี่ยวก็ได้ดีเอไมครับจิตใจสานึกเกี่ยวกับดีเอไหมไม่มีคนพูดถึงครับไม่เคยอยองก็ไม่ถึงเลยนะค น, คนสงสัยคนศาสรศกันนะดังนั้นเรื่องนี้นะ่าสนใจยิ่งปัจจุบันเนี่ยชาวตะวันตกสนใจพุทธศาสนาในแะง่นี้แง่ที่เอาสมาธิเข้าไปบําบัดอ่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะแล้วก็ปรากฏว่าขยายกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆเดี่ยเนะข้ามาศึกษารในด้านนี้ พรทธเจ้าท่านได้ขยายตรงนี้ไว้หมดทีนี้การสื่อภาษาที่จะแปลงภาษาจากภาษาของท่านภาษาบาลีเนี่ยให้เป็นภาษาต่างชาติได้อย่างไรเนี่ยเอามาครั้งหนึ่งที่มาไปไปเรียนต่ออยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยในช่วงปิดภาคเรียนอามาจะไปอยู่ไปภาคอยู่เกาะเกาะหนึ่งเพราะฉะนั้นเรียนกรรมฐานน ะ, ะเรียวกว่าเกาะไอร์แลนด์เฮมิธิอยู่ทางใต้ของจังหวัดกอของศรีลังกาปรากฏว่าพบกลุ่มของพระนักบวชที่มาจาก เยอรมันกลุมใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็บทสพษพทาดกรรมนานตั้งแต่พม่ามาม า, มาถึงสีลังกาเนี่ยแล้วข้อสังเกตคือว่าเป็นพระเยอมันจะขึ้นต้นด้วยยานะยานะโปนิกะยานะโมรียานะศรัทธายานะสังวรอะไรเพราะฉะนั้นอมาก็ถามว่าถามพระองค์หนึ่งว่าเอ๊ะทำไมพระชาวมยนรมันสใหญ่จึงมาอยู่ที่มาอยู่เพื่ออะไร ท่านบอกว่าพวกเรามาอยู่เพื่อที่จะแปลคำภีต่างๆที่เป็นบาลีอ ย, าาลอยู่ในภาษาสิงหลอยู่ในภาษาสันสกิตอยู่ในภาษาบาลีภาษามคตภาษาเนี่ยออกมาเป็นภาษาเยอรมันดังนั้นเราจะเห็นว่าคนเยอรมันนั้นมีองค์ความรู้ทางด้านต่างๆกว้างขวางลึกซึ้งมากเลยส่วนหนึ่งเขาไปจากพุทธศาสนาแต่เขาไม่ได้ประกาศตัวเองว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นเองแต่เอามีพระในกลุ่มนักปราชญ์ของเขานั้นเข้ามาบวช ต่อมาปรากฏว่าทางฝ่ายชีนังการมีปัญหาเรื่องการเมืองกันเนาะลบกันระหว่างธมินกับสิงหนเนี่ยก็ท่านสมเด็จสังราชองค์ญาณสังวรเนี่ยรับเอาพระเยรมันเหล่านี้มาอยู่ท่านสร้างวัดขึ้นวันหนึ่งเ้าเรียกญาณสังวรารามที่จังหวัดชมบุรีเนาะ อ า, าช่วยชมเร า, มาเอามาเขาไม่มีโอกาสได้พบพระเหล่านั้น ท, ทาน ท, ทางแอร์พอททางเลยว่ามาจากที่ศรีลังกามาอยู่วัดไหนว่าอยู่ยาณสังวรารามที่เจ้าคุณสมเด็จสังฆราชท่านสร้างเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเองในการแปลงความรู้พุทธศาสนาให้เป็นศาสตร์ต่างๆเริ่มขึ้นอย่างกว้างขวางทางด้านตะวัน ต, ตกนะนนในวันนี้ที่เราปฏิบัติกันเพื่อที่จะมาจุดของวิชาตรงนี้วิชาว่าด้วยการความรู้ตื่นเบิกบาน ให้เข้มแข็งและอย่างมีระบบไม่ใช่คือคือเมื่อก่อนเราทําแบบเพื่อปนกันปนระหว่างพุทธกับพามผีกับพามแล้วก็พิธีดีตองอะไรต่างไม่ไม่แยกชัดเจนแต่หลังจากที่หลวงพ่อพุทธทาสเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นหลวงพ่อชาเกิดขึ้นได้ให้การอธิบายเหล่านี้ออกมาอย่างชัดเจนแยกพามแยกพุทธแยกผีออกอย่างชัดเจนตัวนี้เองจึงเป็นโอกาสให้เราได้มาศึกษาเรื่องวิปัสสนาโดยตรง เพราะนั้นทําไมเราจะไม่พูดถึงเรื่องการดับตาเรื่องการเข้าฌานเรื่องการามีพลังจิตอย่างนู้ยังทําไมเราไม่พูดถึงเพราะมันเป็นพุทธผสมพามแบบนั้นเป็นมันมปโอกาสที่เข้าไปสู่พามได้ง่ายพูดกับพามอาศัยกันมาตลอดถ้าว่าในรูปธรรมเป็นพามถ้าเข้ามาเป็นนามธรรมที่เป็นองค์ของนามธรรมเป็นพุทธสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เรียกว่าปรมา ธ, ธรรมถ้าเอาไปได้สมมติเป็น ันนานเข้ากลายเป็นพรามถ้าออกมาด้านประมาจนานก็เป็นพุทธสลับกันไปสลับกันมายังพูดถึงเรื่องพรหมวิหารสีในภาษาของพรามคือพรหมจริงๆพรหมสีหน้าใช่ไหมออกมาเป็นรูปธระทคนก็ไปไหว้พระพรหมกันขอพรขออะไรกันที่เป็นลูปธรรมแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากพรหมมานั้นแต่พระเจ้าท่านก็ยอมรับจากพรหมด้วยกันแต่ว่าอีกแบบหนึ่งว่าพรหมวิหารสีเหมือนกันสีหน้าเหมือนกันหน้าที่หนึ่งคืออะไรเมตตาหน้าที่สอง กรุณาหน้าที่สามมูทิตาหน้าที่สี่อุเบกขาออกไปอย่างนั้นออกมาเป็นปรัมัทธธรรมนะแล้วในภาษาต่างๆของอภรามเนี่ยเรื่องเรื่องของโลกทั้งสามเนี่ยพรมอพระอพรมมโลกแล้วก็พระศีวะพระนารายณ์ก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานั่นเองพระพุทธเจ้าก็ตีออกมาเป็นตจลักษณ์นั่นเองดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างชัดเจน สิ่งที่เรานํามาเน้นมาบอกกันเนี่คือหลักของวิชาอย่างนี้โดยเฉพาะแม้ว่าจะไม่อ้างถึงสับแสงตามหลักวิชาทางพุทธศาสนาก็ตามแต่เราพยายามกันเอาเนื้อหาสาระออกมาใช้เพราะถ้าหากาเร า, าอ้างถึงสับแสงต่างๆอย่างที่ได้ส่วนไว้เอกี้นะส่วนเรื่องของปฏิสุบะเราแทบจะไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอวิชชายาตะเวชวสังขารานิโรธสังขารานิโรธาร เพราะมีอาวิชาสังขารจึงมีพราะมีสังขารวิญญาณจึงมีพราะมีวิญญาณ น, นามรูปจึงมีไปเรื่อยๆนี่เป็นภาษาตำรานะแต่ความจริงก็คือทั้งหมดแค่ลัทนิ้วมือเดียวเราเกิดรู้สึกไม่พอใจปับ๊บปฏิสเสธจบครบวงเรียบร้อยแล้วแเราซึ้อยากขึ้นมาปับ๊บปฏิเสธครบวงเรียบร้อยแล้วแต่พอมีสติเข้าไปกำหนดรู้ความอยากความอยากหายไปปับ๊บการดับ สมุทัยเกิดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้านก็มาขยายเชื่ยาวคนก็จะไปงงในเรื่องคําศัพท์คําแสงการขยายความตรงนั้นแต่ความจริงสภาวะที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ว่าเราเพลินต า, ตามรู้ความเพลินปับ๊บความเพลินหายไปเป็นนิโรธละอพอเราเพลินเผลอปับ๊บเราไม่ได้ตามรู้เ อ, เ ป, อททเป็นอ่าสมุทัยล่ะเป็นอวิชชาแค่นี้เอง แต่เราไปอธิบายจงกระทั่งว่ามันเกิดความสับสนคนก็เห็นว่ามันยากแต่ความจริงไม่ได้ยากอะไรเลยแต่สิ่งที่เราทําเนี่ยถ้าอธิบายเป็นหนังสือเนี่ยมันเป็นพัฒนาประโยกเป็นเล่มๆแต่ว่าเราเอามาย่อให้เหลือการภักปฏิบัติดังนั้นเวลาภาคปฏิบัติเอามาทั้งบมดให้ใส่ใจอย่างจริงจังตั้งใจและเข้าใจอะไรเกิดขึ้นต้องสู้ต้องแก้ต้องปรับตลอดเวลาเราเราอย่ายอมมันง่ายๆโดยใช้สติกําลังของ ส, สติสัมรรถะที่เรา ใช้จากการเคลื่อนไหวนี่แหละซึ่งหลวงพ่อเทียนที่ว่ากานเอาเนื้อเนื้ อ, อมาให้เราเลยนะเรายังไม่ยอมใช้ยังไม่ยอมกินอีก็ไม่รู้จะไหวไงว่ า, านะการเอาเนื้อสาระของมันจริงๆเลยนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้ช่วยกันศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากมายด้านสุขภาพเรื่องการงานอะไรต่างๆก็พยายามหาเวลา ไม่ใช่หาเวลาทําความเข้าใจพุทธักสนะเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่ต้องเรื่องต้องใช้เวลาที่เรียกว่าอาการดีโกไม่อาศัยการเวลาแต่อาศัยสันติโกคือต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์แล้วเราจะรู้ขึ้นมาทันทีที่พุทธพระเถรเทศว่าแค่อึดใจเดียวธรรมะอึดใจเดียวน่ะ ก็ตรงนี้เองคือในช่วงความเข้าใจมันแวบเดียวท่านเองหลังจากเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เอาไปใช้ได้เลยส่วนจะใช้ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับปัญญาของเราว่าเราปัญญาพื้นฐานเรามากน้อยแค่ไหนนะทั้งนั้นวันนี้เราก็อนุโมทนาสาธุทั้งสองท่านนะท่านจันนันก็หมอวิชัยที่ได้มาร่วมให้ความรู้แก่เราเพราอเขโมทนาสาธุขอกเราทั้งหลายที่ตั้งใจฟังและพยายามทำความเข้าใจ และหวังว่าจะนำเอาความเข้าใจเหล่านี้ไปประยุกต์ไปใช้ให้เกิดเป็นแสงสว่างทางสติปัญญาสามารถส่องเห็นจิตใต้สำนึกทั้งหมดและเปลี่ยนจิตใจ้สำนึกให้เป็นพลังแห่งตัวรู้ทั้งหมดด้วยการทุกคนทุกท่านคือ